ในส่งไปในอดีตอนาคตที่เคยผ่านมาการงานอะไรที่เราเคยทําข้างไว้ <c oughs> ก็ไม่ต้องไปเจอยุ่งเพราะระยะเราหนังฟังทำนั้นไม่มีธุระหน้าที่กายก่อไม่ได้ไปทํางานวายจาก็ไม่ได้พูดจิตก็ห้ามไม่คิดไปในอดีตอนาคต จะกำหนดพุโทโธพุทโธอยู่ภายในทำให้จิตหายใจสัมผัสกับบทบริกรรมของตอนกดอดะจะกำหนดลมหายใจเข้าออกของตัวก็ถูกแล้วแต่อธัธยาศัยของใครชอบอะไรราจะทำใจของตัวจิคิดตรงนั้นถอยกลับขึ้นมาหาจิตตรงจิตแต่งของมันคือถอยเข้ามาภายใน ต่อามาฮะดวงใจของตัวเมื่อท่านแสดงธรรมะอะไรเมื่อเราตั้งใจไว้อย่างนั้นธรรมะที่ท่านแสดงออกไปนั้นก็จะไปสัมผัสกับจิตของเราจีตตั้งเอาไว้โดยไม่ต้องสงใจไปคิดว่าท่านจะเทศอะไรจะสอนอะไรนั่นเป็นหน้าจีของท่านหน้าจีของเราให้ตั้งจิตไว้เฉพาะหน้า เดี๋ยวเหมือนธรรมะไปสัมผัสก็เหมือนกันกับเด็กที่ถูกที่เลี้ยงหรือแม่ปลอมผลที่สุดก็หลับได้มีจิตที่เคยสายแส่ไปตามกายแสอารมณ์สัญญาต่างๆเมื่อเราตั้งเอาไว้ขส้สอหน้าธรรมะที่กันแสดงไปนั้นก็จะไปสัมผัสสัมผัสเขาสัมผัเสผเข่าใจของเรากาะคอย ของสายใจของเราก็ค่อยสงบค่อยเย็นลงไปนี่คือเห็นอันนี้สงจากการทำของตนในอย่างนั้นพอทันเทศออกไปเราก็มีความคิดความนึกอย่างนั้นอย่างนี้ปรุงไปคิดไปตำหนิทันกว่าเทศไม่ถูกจริตนิสยัยตำหน อย่างนั้นถ้ามีอย่างนี้เรื่อยไปใจแบบนั้นไม่มีวันสงบระงับเราจึงรักษาให้ถือว่าเป็นการภาวนาในตัวการอบรมธรรมะการแนะนธรรมะคือการฝึกอบรมจิตใจที่สุนงรุงออกไปให้สงบระงับดยการระวังรักษาตังวรจิตของตัวตาทำไมได้กเห็น รูปที่ห ย, ย่วยวนจิตใจหูกว่ามดีฟังเสียงที่ห ย, ย่วนยวนกิเลสมีแต่จิตมันจะคิดจะปรงไปเรื่องข้างนอกเราจึงลัวังรักษาเอาไว้ในขณะที่เราฟังทำนั้นมันมีอยู่ทุกท่านทุกคนไปแต่คนที่ไม่รู้ทำไม่เห็นทำก็เพราะเหตุว่าคนนั้นไม่สนใจ หรือไม่ฉลาดนำธรรมะมาปรับทรงกายใจท่องตัวกายใจจึงชั่วกายใจจึงเสียตัวเองก็เกิดทุกข์เ ก, ก, ก, ก, กิดโทษคนอื่นเห็นเขาก็เหมืมนก็เบื่อนี่คือคนที่ไม่ต้งวรระวังกายบาจาจใจท่องตัวไม่มีธรรมะเขาช่วยเหลือไม่มีธรรมะรักษากายใจจึงเป็นบ่าเป็นบอไปอย่างนั้น าหารเรานำธรรมะมาที่นิติเจรณานามารักษาสิ่งใดทีฉวสีเสียทีเดือดร้อนวุ่นวายตนเองก็ทราบว่าจิตคิดไปแบบนี้เป็นจิตที่ไม่มีความสุขความสบายเป็นจิตอิจฉาเบียเดเบียนคนอื่นสัตว์อื่นเป็นจิตที่เพิดเพลินไปในกามารมณ์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 วัวนใหไฟมันเกิดขึ้นจากการไม่จีดการเดียวเท่านั้นแต่เราไม่รีบและงับดับเอาไว้มันก็ไหมก็เผาจริงทีงน่นี่คุณค่าของเราเสียหายผลเปียกวนจีดต็มหมดเป็นไหมบ้านม่จ่องต่างๆนี่คือเจ้าของประมาทไม่ดูไม่รักษามันจึง จึงเผาบานช่องเข่าคล้องเสียหายไปด้านี่เกีเ่ยวขปัญหาที่เกิดขึ้นกับใจก็ทํานองเดียวกันเราประมาทไม่ระวังรักษาเห็นว่านิดนิดหน่อยหน่อยไม่เป็นไรความจีงของนิดหน่อยเป็นของใหญ่ไม่ใช่ของมันใหญ่มาแต่เดมิมมันนิดหน่อยเชื่อก่อนเป็นคนก็เป็นเด็กมาเชื่อก่อนจึงเป็นผู้ใหญ่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 ตาบอดตามัวไปได้ขอนไม้ตอไม้ไม่ซึมทั้งถอนไม่เคยเขาตาทังคนจริงๆโดนเลเราเท้าแตกเมื่อไห่จีนแตกก็สะดุดเล็กน้อยต้นไม้ใหญ่ๆโตๆเราไหม่โดนเพราะเราเห็ินฉะนั้นทันจึงไม่ให้ประมาทเนื่องความ ัวความเสียนิดหน่อย่าจะไม่ให้โทษให้ทุกข์แก่ตัวรีบระงับดับเอาไว้เหนือทราบในวาราจิบจิตจิบตึงไปในทางขั่วทางเสียคือการระวังรักษาจิตของตัวระวังอยู่ทุกระยะทุกเวลาสิ่งใดที่มันจะนำมาิ่งความเดือดร้อนวุ่นวายแผดเผาตัวของตัวให้ละในสิ่งนั้นอย่าไปคิด ทำจากผู้การรักษาใจรักษายากยิ่งกว่าสิ่งทั่วไปในโลกคอยใจเป็นนามธรรมเป็นของละเอียดแต่เหืือรักษาได้ไม่มีอะไรส่จะประเสริฐพิเศษเท่ากับเรื่องของใจไม่มีอะไรสิจะมีคุณค่าสูงเหมือนการรักษาใจ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 โดสิ่งที่จะทำบุคคลนั้นนั้นให้สำเร็จผลตามสี่งตนปรารถนาอิีิบาทก็อยู่ในองค์ของกฎรงองค์ของพุที่ปัจียธรรมคือธรรมที่จะออกจากโลกคนใดที่เจะเรียนอิบิบาท สิ่งที่ตัวใไปฝันนั้นจะได้ตามปาฏิารอิธิบาทนั้นท่านพูดเดยาะเยาะเป็นตับบาลีไว้ว่าฉันะทะคือให้พอใจรักใครในสิ่งนั้นเชาโลกถ้าเขาพอใจรักใครในสิ่งใดเขาก็ใฝ่ฝันม่เบือหน่ายยินดีที่จะทำ ที่จะพูดที่จะคิดสิ่งนั้นเพราะความพอใจความพอใจจริงเป็นแรงสาคัญเป็นสิ่งที่เชื่อมั่นในจิตในใจเพรเราพอใจเราย่อมทําได้ในเบื่อหน่ายเรียกว่าฉันทะคือความพอใจรักให่เป็นพอใจรักให่ในการกำหนดลมหายใจ ไม่เดือนในในการกมหนดอารมณ์สัญญาอะไรเกิดขึ้นผ่านมาก็าไม่เกี่ยวข้องหรือพอใจรักให้ในการบริกรรมพุทโธพุทโธอารมณ์อืนเหมือนแสนเกิดขึ้นก็ไม่จิตตามเกี่ยวข้องคนเช่นนั้นย่อมมีจิสตสงบระงับได้เพราะพอใจในกรรมฐานของตัวพอใจในคำบริกรรมของตัว ถ้าหากไงพอใจทําอะไรก็ไงพอใจกินขว่างเรื่อยไปคนนั้นทําอะไรก็ไงสําเร็จให้ดังนั้นฉันทะความพอใจรักใคร่จรึงเป็นตัวจักใหญ่สําคัญตัวเบื้องต้นเมื่อมีฉันทะความรักใคร่วิริยะความผาคเพียรมันกเกิดขึ้นทําอย่างไรเราถึงจะได้ทําอย่างไรเราจึงจะสําเร็จทําอย่างไรรู้ จงจะเห็นจะเจนจะรู้มันจะต้องมีความพยายามถึงเหนืเหนื่อยเหนื่อยหิวลำบากยากเย็นก็พยายามไม่ทอดที่เอาใจใส่ตั้งใจทำตั้งใจปฏิบัติอย่างวิริยะหมือยังมีชีวิตเป็นอยู่ จะต้องทำสิ่งนั้นให้สำเร็จให้ได้ลำบากยากจนขนาดไหนก็ไม่ทอดถอยตั้งหน้าจะทำเอาชีวิตเป็นแดนมีผูวจีนีวิริยะแรงตาเป็นอย่างนั้นจิตตะเอาใจฟักใสไม่ทอดทุละไม่ทอดที่สิ่งสี่ตัวทำตัวบริ ก, กรรม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 วางทุระไม่ทอดทิ้งเรียกว่าจิตตะีีมังสาตรวจตาที่นี้พิจอรนาในสิน่งจีตตัวจะ่ทำอยู่นั้นว่ามันผิดถูกชั่วดีอย่างไรเพื่อจะได้แก้ไขปรับปรุงให้มันถูกต้องให้มันดีงามคนที่มีอิทธิบาททั้งสี่ไว้ำอยู่ในจิตไม่ว่าจะทำการงานชนิดใด ยาบละเอียดอยากง่ายขนาดไหนคนนั้นจะทำสำเร็จไปได้แันจริงว่าอิทธิบาทคือมีอิทธิลิตสามารถที่จะทำสิ่งที่ตนปรารถนาให้สำเร็จไปได้ตามความต้องการคนที่ปฏิบัติไม่เห็นไม่เต็นทำอะไร ในสำเร็จรล่งไฟก็เพรใจขาดอิทธิบาทถานีอิทธิบาททั้งสี่อยู่ในจิตในใจคนใดแล้วไม่ว่าสายโลกไม่ว่าสายธรรมเขาคนนั้นทาอะไรจะต้องสำเร็จตามความประสงค์ของเขานี่เป็นธรรมะที่พระพุทธเจ้าสอนพวกนักปฏิบัติให้ทาจริง ในสิ่งที่ตัวอยากเห็นอยากรู้ถ้าไม่ทำจริงผลสิ่เป็นจริงก็ไม่เกิดขึ้นดัะนั้นการทำจริงจริงเป็นเรื่องสำคัญแต่ต้องอาศัยบทธรรมของพระพุทธเจ้าเข้ากำกับเป็นเส้นทางเดินเป็นเส้นทิศนำจิตนำใจให้ไปสู่ทิศสู่ทางสี่ต้นมุ่งหวังได้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 จิตแบบนั้นถึงร่างกายของเราจะอยู่สบายจะจิตก็วุ่นวายเดือดร้อนเพราะสิ่งเหล่านั้นท่านเรียกว่ายิเลศยิเลศนี้ผู้ที่นี้จะจิตปัญญาผู้ที่นี้ธรรมะท่านขยะกขยแยงท่านกลัวมากกลัวยิ่งกว่าสิ่งทั่วไป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 เราตายไปก็สักแต่ว่ากายตายไปจิตใจที่ยังมีกิเลสตัณหานั้นจะก่อพบกอชาติใหม่เราจะยุ่งเหยิงวุ่นวายรบกวนตัวเองอยู่เรื่อยไปท่านจิตกลัวมากกว่าเรื่องโรคของกายผู้ที่เห็นกิเลสตัณหาเป็นสิ่งที่น่ากลัวน่าเบื่อหน่ายท่านจิตตั้งหน้าตั้งตาภาวนาหาทางที่จะแก้ไข ใจสี่ชั่วสี่เสียเนี่ยนั้นให้ลุกให้ตกออกไปด้วยอุบายที่ทีธรรมะที่พระพุทธเจ้าสอนเอาไว้โดวยวิธีใดวิธีหนึ่งถ้าหากมีอุบายปัญญารักษาใจของตัวแล้วคนนั้นถึงจะอยู่เป็นพระเป็นเนนจะบวชมาหลายพันษา ก่หาสาระทางจิตทางใจไม่ได้มีจิตใจวุ่นวายเดือดร้อนแปรสายปัดแต่งไปตามสัญญาอารมณ์ต่างๆหาทางสงบเย็นในจิตในใจไม่มีตัวของตัวก่อตัอตต้มนี่ทำไมจิตจึงเป็นอย่างนี้ซึ่งเราไม่ชอบไม่ปรารถนาแต่มันก็เกิดก็เปลี่ยนขึ้นในจิตในใจของเราเพราะเราไม่รักษา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 ว่าทุกคนเมื่อตั้งหน้าตั้งตาประพฤติปฏิบัติรักษาตามธรรมะที่สอนไว้คนนั่นนั้นจะเป็นคนดบคนดีมีคติเป็นสองคือเป็นอาณาคามีบุคคลคนไปจากกามราชาปฏิฆะคือความไข้จิตติดข้องกำหนัดยินดีในเพศตรงกันข้าม จะไม่มีในวาระิตของท่านความหงุดหงิดในจิตในใจเป็นไปเถอความโกรธก็จะไม่เกิดไม่มีขึ้นทางหากตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติรักษาจริงจังทุกคนไปท่านรับรองว่าไม่เกินเจ็ดปีอย่างช้าจากนั้นต่อไม่เกินเจ็ดเดือนหรือเจ็ดวัน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 ที่ยึดถือที่ติตของที่หลงไหลไฝ่ฝันอย่างนั้นอย่างนี้เกิดความยินดีเกิดความมัวเมาในเรื่องของกายสันเหพิเจราญกายสัตแต่ว่ากายไม่ใส่หญิงไม่ใส่ชายไม่ใส่สัตบุคคลที่เจริญอย่างไรใจจริงจะเห็นเป็นจริงอย่างนั้นก็พิจรณ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 มันเกิดขึ้นมันแตกพวนมันแตกสลายไปเมื่อถึงการถึงสมัยแทนที่จะเสียอกเสียใจเพราะเรื่องกายมันแตกมันทำลายไปมันไม่เป็นอย่างนั้นมันไม่เสียอกเสียใจอะไรพอยทราบแล้วเข้าใจแล้วความจริงมันเป็นอย่างไรเราเข้าใจชัดเจนนี่เป็นเรื่องการพิจารณาตายเพื่อถอดถอนความยึดมั่นสำคัญหมายว่าเราว่าเขา ว่าสัตว์ว่าบุคคลท่าที่เจ้านายเห็นตามเป็นจริงชัดเจนแล้วความใจกำหนัดยินดีกับเหตุตรงกันข้ามมันจะไม่เกิดขึ้นเพราะเหตุใดเพราะกายนี้เป็นก้อนของโรคโรคภัยไข้เจ็บต่างๆนานามาเกาะมาอาศัยมีตาก็มีโรคตามีหูก็มีโรคหู ม, คมีจมูกก็มีโรคในจมูกมี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 หัดถูประดับประดาด้วยสิ่งต่างๆนานาหลอกตาของคนที่โง่เขลาเบาปัญญาไม่ทราบว่าหนังมันห่อหุ้มของะปกโสมมอยากอะไรเพราะไม่เดยดพิจารณาเลยเข้าไปจับหนังมันจึงเกิดความชอบพอยินดีในรูปนั้นนั้น ว่ามันสวยสดงดงามอย่างนั้นอย่างนี้ถ้าตรวจตาทุเจะนะเรื่องของกายตามเป็นจริงกายนี้ถึงเราจะไม่สมมติไม่เห่ร้ายเขาว่าเขาตกกระปกแต่ความจริงก่อนของตกกระปงจริงจริงจังๆเช่นเรานั่งก็ดีนอนก็ดีนุ่งห่มอะไรก็ดีหรือเอาอะไรมาเกี่ยวข้องก็ดีกายนี้ จะทําความสกระปรงให้แก่สิ่งนั้นนั้นเพราะก้อนของกายนี้เป็นของสกระปรงรั่วไหลออกมาจากกายนี้เลือดขี้ทั้งนั้นไม่ใช่เป็นของดิีของดีงดจึงใไปิีดเตือนที่นั่งที่นอนผ้าหนุ่งผ้าหม่มได้ซักในฟอกกันอยู่เรื่อยๆเพราะมันเน่ามันเหม็นมันปฏิกูลนี่คือการที่เจริญนาเพื่อละความกําหนัดยินดี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 มันตายแล้วเอาไปทิ้งเทินกันไว้ไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายคีอมันบ้าเรื่องของใจนั้นมันจะไม่มีทําอะไรกันในเรื่องของกายจริงจังมันเป็นอย่างนั้นมันเป็นธาตุแล้วก็จะแปลปวนแตกสลายลงไปสู่ถาดเดิมของมันถาดดินก็จะไปสู่ถาดดินถาดน้ําก็จะซีมสาบลงไปได้วเป็นไอขึ้นตามอากาศถาดไฟมันก็ ไปตามเรื่องของมันลมต่อไปตามเรื่องของมันมีเมื่อเราแยกแยะที่นี้พี่แจนาดูให้ถั่วถึงทีท่วนอย่างนั้นห้ใจมันเห็นไปจากชัดเจนมันจะยอมจำนนว่าอันนี้ไม่ใส่ตนไม่ใส่ตัวไม่ใส่สัตว์ไม่ใส่บุคคลจริงจังแต่จิตมันลุ่มมันหลงมันยึดมันถือตัณหามันจึงเกิดราคาตัณหา คือมันไม่ทราบตามจริงในสิ่งนั้นนั้นตามเป็นจริงของมันถ้ามันทราบตามเป็นจริงของมันแล้วจิตจะไม่หลงจิตจะสงบจิตจะเบือนายในเรื่องของกายจนบางผ่านบางคนตามตำหลับตำราที่เจนากายเห็นเป็นอรสุภาอรสุทังเป็นก้อนหมูดก้อนขูดหรือเป็นก้อนโหลกก้อนไท ใจมันเห็นประจักษ์ชัดเจนจริงจังอย่างนั้นเลยเบือหน่ายฆ่าตัวตายตัว ม, มีทางศาสนาท่านห้ามการทำอัตถ่าคือฆ่าตัวเองมันเบือหน่ายจนยอมฆ่าตัวตายเบือหน่ายแบบนั้นเบือหน่ายผิดทางพระธรรมวินัยใครทราบตามเป็นจริงของมันว่าสิ่งเหล่านั้นเราไม่ฆ่า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 มันจะจัดชัดเจนแล้วการงมกายมันกว่าหายจากการงมไปการหลงไปเพราะเรื่องของกายแยแยไม่มีอะไรมันไม่เคยถูกเคยทุกข์เคยเดือดร้อนวุ่นวายไม่เคยอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้หนาที่ของกายจริงจังที่มันมีชีวิตชีวาเจริญมากเพราะเราบำรุงมัน เอาอหารการกบฉันมาบำบุงให่หนุ่งให้หอมเหนือเวลาหนาวให้อาบให้สงเหนือเวลาร้อนเราบำรุงมันไว้มันจึงเจเริญมเติบโตมาแล้วเมื่อเราหลงมันมันก็ให้ทุกข์แกเราถ้าเราไม่หลงมันเราจะเอาประโยชน์แก่มันก็คือการพิจารณามันแล้วก็พามันทํา ความภาคความเทียนไายพระสวดมนต์ทำการบุญการสืสนทำให้เกิดผลเกิดประโยชน์ในปล่อยให้กายเป็นหมันเป็นโมฆะในเหมือเวลาเรายังมีลมหายใจเป็นอยู่นี่คือการที่เจริญนากายในทางสติปัฏฐานให้ิจริญนากาทของตัวให้ถั่วให้ถึงให้เห็นชัดเจนแล้ว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 กายานุปัสนานเพื่อพิจารณาเพื่อให้เกิดปัญญาเพื่อให้ละให้ถอนความยึดถือติดข้องต่างๆเรียนชนานุปัฏนาสติปัฏฐานกฎหมายเชิงพิจาาสุขทุ ก, ทกข์กุกทุกหรือเฉยๆนั้นทุกท่านมีด้วยกันไม่ว่าทาลวส ห, หรือนักบวชแต่เราไม่ได้เอาใจใส่ว่าอันนี้เป็นธรรมะเป็นยาที่จะแก้กิ่เหล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 มาเดีพิจารณามันจึงลุ่มหลงถ้ า, าเราพิจรารณามันก็พอพิจารณาได้กายอันนี้หรือตัวอันนี้มันไม่ใส่สัตว์บุคคลอีกเหมือนกันเป็นอาการอันหนึ่งเมื่อกายกับจิตมาอยู่ด้วยกันแล้วจึงเหล่านี้มันจะเกิดมีขึ้นเรียกว่าเวทนาคือบางทีก่อสุกข์บางทีก่อทุกข์บางทีก่อเฉยเเียกวว่าาทนา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 เพื่อจะให้กายของตัวให้เวทนาตัวทุกนั้นมันหมดไปหายไปหามันถูกมันสบายขายบ้านใายเรือนขายไร้าขายนามีเงินมีทองมรดกที่ดิดามันดาหามาไว้สันหลวงรับดับไปเป็นสมบัติของเราทิวว่าสมบัติเหล่านั้น เป็นสมบัติที่ควรส่งน้อนรักษาแต่เท่าว่าเหมอเวทนามันกล่าขึ้นมาทุกมากขึ้นมาจะต้องนำสิ่งเหล่า น, นั้นออกไปขายเพื่อรักษานำหยุดนำยามาบำบัดให้ทุกขาวเวทนามันหายไปนี่สิ่งที่เราไม่ชอบใจไม่พอใจเรายอมเสียสละเขาของเงินทองส่วนใหลยมา ถึงความสุขความสบายสิ่งที่สุขที่สบายหรอเราก็ตถาถนาอยากจะได้ถึงจะยากจะลําบากขนาดไหนก็อยากจะได้มาเป็นสมบัติของตัวทุกอย่างลําบากโก อ, อุษาหพยายามแสวงหาว่าอยากได้ความสุขนั่นมาสุขก็ดีทุกข์ก็ดีเฉยๆก็ดีทั้งสามสิ่งนี้เรียกว่าเวทนา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 หมดลมหายใจมันจะไม่มีอะไรเหลือหรอแต่เมื่อเวลาเราเป็นอยู่เราจะสู้จะหลบจะพิจารณาอย่างไรจรึงจะทราบวเวทนานี้เป็นขันอันหนึ่งไม่ใ่ตัวของจิตเรื่องเหล่านี้เราต้องต่อสู้เราต้องพิจารณาดูด้วยความเป็นธรรมไม่เข้าตัวไม่เข้าข้างใดอาศัยความจริงที่สูบของจริง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 ตัวตนคนสัก์อะไรข้อนี้จะประจักในการคิดรณาในการภาวนาของตูวเพื่อจะเห็นโดยการบาเพ็ญภาวนาว่่อันนี้มันเป็นขันธ์อันหนึ่งต่างหากผู้ไปรู้อันนี้เป็นอีกอันหนึ่งต่างหากถึงอันนี้มันจะก่อกวอนวุ่นวายสุขสบายต่อตาม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 ก็วไม่ปรารถนาะมันก็เกิดทุกข์ขึ้นมันกระทบบาจสิ่งที่ตัวต้องการตัวปรารถนาะมันก็เกิดทุกข์ขึ้นนี่คือความลหลงไหลความไม่เข้าใจตามเป็นจริงแเราไปยึดไปถือในสิ่งนั้นนั้นมันจึงเกิดทุกข์เกิดโทษเมื่อสิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้นสิงที่ปรารถนาเกิดขึ้นก็ยากให้มันตั้งอยู่ ไม่อยากจะให้มันวิบัติสิบหายไปที่ไหนแต่กองมีสิทธ์มีมอำ น, นาจที่จะรักษาได้เพราะสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นจะต้องดับไปเป็นธรรมดาผู้มีปัญญาทราบทัดอย่างนั้นมีการเกิดขึ้นได้จะต้องมีการแปรปวนและสลายไปถ้าเรารู้เราคอยใจในตัวของเราจริงจังอย่างนั้น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 ความคิดปรุงต่างๆเดยแต่สีก็เรียกนี่ก็เป็นตัวอันหนึ่งเป็นเรื่องอันหนึ่งซึ่งเราจะที่นิ้ที่จรอะไรนะทหมายถึงสิ่งทั้งสามหรือสิ่งทั่วไปที่มันปรากฏในจิตในใจจะเป็น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 สติปัะฐานทั้งสี่นี้เอาใจใส่